เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สี่วันที่สิขันอื่นมีอีกไหมว่างๆขึ้นมาเมื่อสติไม่ตั้งรู้อยู่ในขอบเขตกายใจความเป็นนักศึกษาและคนช่างคิดก็ทำให้ฉันเกิดคำถามได้สารพันเช่นอยู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าธรรมชาติอื่นที่ทาให้หลงยึดมั่นถือมั่นเป็นที่ตั้งของอุปาทาน ซ่อนแฝงอยู่ในพบอื่นไม่เป็นที่รู้จักเหมือนคันห้ายังมีอยู่ไหมนี่ค่อนข้างจะออกไปทางแนวจินตนาการลี้ลับจำพวกนิยายวิทยาศาสตร์หน่อยแต่ฉันก็นึกอยากรู้และคำตอบของผู้ที่ยังรู้ทั่วจั ก, กรวาลที่เชื่อถือได้ก็มีอยู่คนเดียวคือพระพุทธเจ้าอันเนื่องจากเพิ่งอ่านปุณณนนมาสูตรมาได้ไม่กี่วัน ฉันจึงคุ้นตาและกลับไปเปิดอ่านใหม่อีกครั้งก็ได้คําตอบที่ตรงกับความสงสัยจริงๆนั่นคือภิกษุทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอุปาทานขันนั้นมีเพียงห้าคือรูปอันเป็นที่ตั้งอุปาทานเวทนาอันเป็นที่ตั้งอุปาทานสัญญาอันเป็นที่ตั้งอุปาทานสังขารอันเป็นที่ตั้งอุปาทานวิญญาณเป็นที่ตั้งอุปาทาน เท่านี้หรือพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าใช่แล้วอุปาทานขันมีเพียงห้าประการเท่านี้ภิกษุรูปเดิมทูลถามต่อว่าที่จะให้เรียกว่าขันได้นั้นมีข้อจํากัดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามเหล่านี้ย่อมมีชื่อเรียกว่าขันได้ทั้งสิน้นภิกษุรูปเดิมทูลถามต่อว่าความกำหนัดพอใจในอุปทานขันห้ามีความต่างกันอยู่หรือไม่ พระพุทธองค์ตรัสตอบว่ามีคือบางคนอยากมีรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ในอนาคตเบื้องหน้าด้วยความอยากมีอยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เองคือความต่างแห่งความกำหนัดพอใจในอุปาทานขันทั้งห้าภิษุรูปเดิมทูลถามต่อว่า อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้บอกได้ว่าอย่างไหนคือรูปอย่างไหนคือเวทนาอย่างไหนคือสัญญาอย่างไหนคือสังขารอย่างไหนคือวิญญาณพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมเป็นเหตุปัจจัยแห่งการบอกว่าอย่างนี้คือรูปประธันผัสสะเป็นเหตุปัจจัยแห่งการบอกว่าอย่างนี้คือเวทนาขันผัสสะ เป็นเหตุปัจจัยแห่งการบอกว่าอย่างนี้คือสัญญาขันผัสสะเป็นเหตุปัจจัยแห่งการบอกว่าอย่างนี้คือสังขารขันนามรูปเป็นเหตุปัจจัยแห่งการบอกว่าอย่างนี้คือวิญญาณขันฉันอ่านจบก็เกิดความยินดีในคําตอบนี่แปลว่าถ้าดูขันห้าในโลกนี้จบทําลายอุปาทานเสียได้แล้ว ก็เป็นอันว่าไม่ต้องตามไปทำลายกันที่พบอื่นภูมิอื่นอีกเป็นอารหันแล้วเหมือนตานยอดด้วนก็เพราะเหตุนี้คือจบที่ขันห้าปัจจุบันนี้แล้วไม่มีการต่อขันที่อื่นอีกอันนี้ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งบางสูตรนั้นเราอ่านเฉพาะจุดที่สนใจแต่ที่เหลืออ่านค่ำ้ามไปก่อนแล้วมาพบในภายหลังว่า มีคำตอบที่ทำให้ข้อสงสัยเพิ่มเติมหายไปด้วย